จเจริญแต่เนื้อพระพุทธภาษิตอัปสุตายังปริโซบริบัติโดวะชีรติมังสานิตสัสะวันติปัญญาตระณะวัติแปลกว้างว่าบุคคลนี้มีการสดับศึกษาน้อยค่อยๆแก่ไปเหมือนโคถึกจเจริญแต่เนื้อส่วนปัญญาหาจเจริญไม่อธิบายความในพระคาถานี้คำว่า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 โดยการเรียนแปลว่าขีดแ ท, ทงความสามารถโดยกําเนิดของคนนั้นจะดีหรือเหมาะสมได้ก็โดยการศึกษาและรู้ว่าควรจะนําเอาความสามารถอันมีอยู่ประจําตนนั้นไปใช้ในทางใดบุคคลที่เฉลียวฉลาดคือผู้ใช้การศึกษาให้เกิดประโยชน์แต่หาใช่ความรู้โดยตรงจากบทเรียนไม่แต่หมายถึงความรู้อันได้จากการไข้ครวนพิจารณาซึ่งมีบทเรียนเป็นพื้นฐานนี่จะเห็นตัวอย่างจากบุคคลจํานวนมาก ที่มีการศึกษาระดับเดียวกันพาหลักสูตรอย่างเดียวกันมาแต่หาได้ใช้ความรู้ให้สําเร็จประโยชน์เหมือนกันไหมทางนี้อาจเป็นเพราะฝ่ายหนึ่งเต็ไมไปด้วยการใไข่ครวนพิจารณาแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทําอย่างนั้นคงปล่อยสิ่งต่างๆให้ผ่านเลยไปหนังสือบางเล่มควรแก่การชิมดูเท่านั้นบางเล่มควรกลืนกินมีน้อยเล่มที่ควรเคี้ยวให้ละเอียดกลั่นกรองและซึมซาบอธิบายว่าบางเล่มเด่นเพียงผิวเผิน บางเล่มควรอ่านโดยตั้งใจตลอดเล่มบางเล่มบรรจุเอาเนื้อหาที่กลั่นกรองแล้วอุปมาดังน้ำกลั่นที่บริสุทธิ์เป็นเหมือนสิ่งที่สะท้อนแสงแวววาวความจริงที่เบคอนพูดไว้ตอนนี้แม้จะล่วงเลยมาสี่ร้อยกว่าปีแล้วแต่ก็ยังเป็นความจริงอยู่เสมอจนกระทั่งบัดนี้มีหนังสืออยู่น้อยที่ผ่านการกลั่นกรองอย่างดีมีคุณค่าพอที่จะเคี้ยวให้ละเอียดเขากล่าวต่อไปว่าการอ่าน ทำให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์การปรึกษาหารือทําให้เป็นคนมีความรู้รอบขอบการเขียนทําคนให้มีความแม่นยําคนที่ปรึกษาหาเรือน้อยต้องมีไหวพลิบมากคนที่อ่านน้อยต้องมีความฉลาดมากทั้งนี้เพื่อทดแทนสิ่งบกพร่องที่ขาดหายไปประวัติศาสตร์ทําให้มนุษย์รอบรู้วรรณกรรมทําให้คนหลักแหลมคณิตศาสตร์ให้ความละเอียดถี่ถ้วน ปรัชญาธรรมชาติทําให้เข้าใจความจริงอย่างลึกซึ้งจริยศาสตร์สอนคนให้รักสงบตรรกศาสตร์และศิลปะในการพูดทําให้สามารถยืนยันได้ด้วยหลักฐานสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาต่างๆของบุ ค, คลิกลักษณะสามารถปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นได้โดยการเรียนรู้และจัดให้เหมาะสมแก่บุ ค, คลิกและความโน้มเอียงของแต่ละบุคคลเช่นคนที่สมาธิไม่ดีความจําไม่แม่นควรให้เรียนด้วยการสาธิตคือทําดูอย่างให้เห็น ถ้าม่มีความหลักแหลมเพียงพอที่จะแยกแยะความแตกต่างของสิ่งต่างๆได้ควรศึกษาประวัติและชีวิตของนักปราชศให้ละเอียดทีถ้วนดังนี้เป็นต้นการศึกษาและการมีความรู้นั้นมีลักษณะเป็นดาบสองคมอยู่การศึกษาจะสำเร็จประโยชน์อย่างมากแก่คนที่รู้จักใช้ความรู้นั้นในทางชอบหากใช้ในทางผิดก็จะให้โทษมากความรู้อยู่ที่บัณฑิตย่อมเป็นคุณแต่ถ้าอยู่ที่คนพานย่อมเป็นโทษ และให้โทษทั้งแก่ผู้มีเองและแก่สังคมเหมือนไฟเกิดจากไม้ย่อมเผาไหม้ไม้ให้หมดและทําความร้อนแก่สิ่งที่อยู่ใกล้เพราะฉะนั้นพระศาสนา จ, จึงตรัสว่ายาวะเดวะอนัทยะยะตังบาลสัจชายะติหันติบาลสะสุกังซั่งบุทธมสัจวิปตาหยังความรู้เกิดแก่คนผ่านเพื่อประหารเขาอย่างเดียวย่อมคาส่วนดีของคนผ่านเสีย ทำให้ส่วนปัญญาของเขาตกไปในทางตรงกันข้ามความรู้เกิดแก่บัณฑิตย่อมเป็นเครื่องเชื่อชูเกียรติของเขาและอำนวยประโยชน์แก่คนมากเหมือนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์สู่ดวงจันทร์แล้วยังโลกเราให้สว่างด้วยฉะนั้นผู้ฉลาดอยู่ในโลกอย่างฉลาดรู้เท่าทันและเก็บความรู้ไปด้วยเป็นประจำวันมาให้เวลาล่วงป เ, ปเปล่าม่ให้เป็นผู้เจริญแต่เนื้อแต่พยายามให้เจริญด้วยปัญญาพระาศาสดาตรัสว่า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 พระโลลุทายีนั้นทําอะไรไม่ค่อยเหมาะสมกับกาลและเรื่องราวเช่นเมื่อได้รับนิมนต์ไปที่บ้านในงานมงคลเมื่อควรจะสวดมงคลคาถากลับไพร่ไปสวดอวมมงคลคาถาเช่นติโรกุทธสูตรเป็นต้นเมื่อควรกล่าวติโรกุทธสูตรกลับไปกล่าวมงคลสูตรดหรือรัตละสูตรเป็นต้นพิสูจ์ทั้งหลายฟังคาถาของพระโลลุทายีแล้วนําความกราบทูลพระศาสดา พระพุทธองค์ตรัสว่าโลลุทายีพระพุทธนี้ไม่เพียงแต่ในชาตินี้เท่านั้นแม้ในชาติก่อนก็เคยประพฤติมาแล้วเหมือนกันทรงนำเรื่องในอดีตของพระโลลุทายีมาเล่าให้ภิก ษ, ษุทั้งหลายฟังว่าในอดีตการพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออคกขิทั์ในกรุงพระณสีมีบุชายคนหนึ่งชื่อสมทัทั์เป็นมหาดเล็กและเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่งของพระราชาพราหมณ์อักขิทัตมีอาชีพทางกสิกรรมคือทำนา ต่อมาวันหนึ่งวัวสำหรับไถนาของเขาสองตัวตายเสียตัวหนึ่งเขาจึงขอร้องลูกชายให้ทูลขอวัวให้เขาสักตัวหนึ่งโสมทัตมหาเด็กเป็นเด็กหนุ่มที่ฉลาดคิดว่าถ้าจะขอเองพระเจ้าจอยู่หัวอาจตำหนิได้ว่ามักได้เห็นเป็นที่โปรดปรานแล้วขอนั่นขอนี่ครั้นจะไม่ทูลขอบิดาก็จะตำหนิได้ว่าเป็นถึงคนโปรดของพระราชาเรื่องแค่นี้ช่วยพ่อไม่ได้เขาจึงกล่าวกับพ่อว่า คุณพ่อครับคุณพ่อขอพระราชทานเองเถิดผมจะพาไปก่อนไปสมมทัศน์ได้นําพ่อไปที่ป่าช้าแห่งหนึ่งเพื่อฝึกฝนกิริยามารยาทในการเข้าเฝ้าในหลวงทํายากเป็นฟ้นฟอนๆสมมุติว่านี่คือพระราชานี่คือเสนาบดีนี่คือฝ่ายหน้าพ่อควรทํากิริยาอย่างนี้อย่างนี้กราบทูลและพูดอย่างนี้อย่างนี้ที่ต้องฝึกกันอย่างนี้เพราะพราหมอักขิทัศน์เป็นคนโง่เมื่อเห็นว่าพอเข้าเฝ้าได้แล้ว สมมทัศน์ให้พ่อท่องคำกราบบังคมทูลใจความว่ามหาราชโคสาหรับไถนาของข้าพระวัชเจ้ามีอยู่สองตัวตัวหนึ่งตายเสียแล้วขอใต้ฝ่าละองทุลีพระบาทโปรดกล้าพระราชทานตัวที่สองให้ด้วยเถิดปีหนึ่งผ่านไปพรามจึงสามารถท่องคำกราบบังคมทูล น, นั้นได้คล่องแคล่วจึงบอกแก่ลูกชายสมมทัศน์จึงบอกพ่อให้เอาบราการเล็กๆน้อยๆไปถวายพระราชาตนเองล่วงหน้าไปก่อน ไปยืนอยู่ในที่เฝ้าพราหมีอุตสาหะและมีความกล้าหารขึ้นเพราะเห็นว่าบุตรของตนอยู่ในที่เฝ้าเมื่อพราหมณ์ไปถึงพระราชาทรงปฏิสันฐานเป็นต้นว่ามานานแล้วหรือนี่ที่นั่งต้องการอะไรพูดไปเถิดพราหมณ์ท่องบทกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชโคสําหรับไถานาของข้าพระเจ้ามีสองตัวตัวหนึ่งตายเสร็จแล้วขอฝ่าละองทุลีพระบาทได้โปรดกล้าว รับเอาตัวที่สองเสียด้วยพระราชาตับถามย้ำว่าพรามว่าอะไรนะพรามคงกลาบทุนอย่างเดิมพระราชาทรงทราบว่าพรามพูดผิดต้องการขอโคกลาบมาทูนถวายโคจึงทรงพระสวนและตรัสถามสมทัศว่าสมทัศโคที่บ้านเห็นจะมีมากกระมังหากพระองค์พระราชทานก็คงมีมากพระเจ้าค่ะสมทัศทุนพระราชาทรงพอพระทัยในความเฉียบแฝมของสมมทัศ จึงพระจะทานโคส6ตัวให้แก่พรามผู้บิดาพร้อมด้วยเครื่องประดับบางอย่างและบ้านแก่พระโพธิสัตว์สมทัตรพระศาสดาทรงนำอดีตนิทานมาแล้วทรงประชุมชาดว่าพระอาชาในครั้งนั้นเป็นพระอานนพรามมาเป็นพระโลลุทายีมหาเล็กสมทัตคือเราตถาคตนี่เองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุเท่าไหายโลลุทายีพูดไม่ถูกเรื่องไม่ถูกการในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ แม้ชาติก่อนก็เคยมาแลกเหมือนกันเพรยเหตุที่มีการศึกษาน้อยเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลนี้มีการสะดับศึกษาน้อยค่อยๆแก่ไปเหมือนโคถึกเจริญแต่เนื้อส่วนปัญญาหาเจริญไม่มีนัยยะดังพรนน า, นา ม, มาแล้วแต่ต้นเพื่อความเข้าใจดีขึ้นจึงขออธิบายเกี่ยวกับสูตรต่างๆซึ่งได้กล่าวมาตั้งแต่ต้นเรื่อง ดังนี้ติโรกุธทธสูตรว่าด้วยเรื่องเปรตที่เคยเป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารสมัยเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายพระอาหารแด่พระศาสดาได้ชวนกันมายืนในที่ต่างๆเพื่อรอรับการอุทิศส่วนกุศลให้และพระเจ้าพิมพิสารก็ทรงอุทิศส่วนกุศลให้เปรตเหล่านั้นเปรตเหล่านั้นมีความชื่นชมเมื่อพระศาสดาเสวยพระกรยาหารแล้วทรงแสดงติโรกุธทธสูตรเพื่อให้พระเจ้าพิมพิาสารทรงทราบว่า มีเปรตมายืนอยู่ที่ใดบ้างสำหรับมงคลสูตรว่าด้วยมงคล38ประการและรัตนสูตรว่าด้วยรัตนะคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งมีอนุภาพในการกำจัดสิ่งร้าย